พระธรรมสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยาณสัมปโนวัดป่าบ้านตาดตําบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2456ถึงปัจจุบัน พิจรารณาทางด้านปัญญาพิจรารณาแยกแยะหลายชั้นหลายภูมิหลายวัคหลายตอน น, นี้เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งของผู้พิจารณาเมื่อจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็เข้าสู่สมาธิพักสงบพักเอากำลังเมื่อจิตถอยออกจากสมาธิแล้ว ทงานได้แก่การพิจรารณาทางด้านปัญญาโดยไม่ต้องมาสนใจใหญ่ดีกับสมาธิให้ทำหน้าที่ด้านปัญญาล้วนๆ เหนื่อยเมื่อไล้แล้วก็มาพักทางสมาธินี่ท่านเรียกว่าปัญญา ได้พิจรารณาหลายครั้งหลายหนในอวัยวะส่วนข้างนอกข้างในเบื้องบนเบื้องล่าง เห็นแจ้งชัดเจนโดยลำดับแล้วจิตจะมีความเพลิดเพลินในการเห็นของตนและมีความยินดีในความละความถอน ความกระหิมยิ้มย่องในการบำเพ็ญทางด้านปัญญาของตนเองแล้วจะเพลินไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็กลายเป็นภาวนามายตปัญญา คือปัญญาที่เกิดขึ้นเองหมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติท่านเรียกว่าภาวนามายะปัญญา คือปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็ตาม ไม่สัมผัสก็ตามแต่ปัญญานี้จะก้าวเดินอยู่ในวงอริยสัจพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ เห็นแจ้งชัดเจนเข้าไปโดยลำดับลำดับและคล่องตัวไปโดยลำดับจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาไปจาก ภาวนามายะปัญญานี้แหละหมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติหมุนไม่หยุดไม่ถอย ก็มีความคล่องแคล่วว่องไวมีความชำนิชำนาญเฉียบแหลมเข้าไป โดยลำดับ ก, ก็กลายเป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาที่แก่กล้าสามารถเพื่อละเพื่อถอน เพื่อสังหารกิเลสเมื่อปัญญาดังกล่าวได้ปรากฏเด่นชัดแล้วยอมแน่ใจในมักในผล กิเลสหมอบเรื่อยๆมีกิเลสตัวใดที่อาจหานโผล่ขึ้นมา<ค><ณ>ก็ขาดสะบ้านไปสะบ้านไป จนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่จุดรวมของภพของชาติของวัตจักรวัตจิตได้แก่อวิชาปัจยาสังขาราเพราะรูปเสียงกลิ่นรส เรื่องสัมผัสเราก็พิจารณาพร้อมกับดับร่างกายนี้แล้วถอนตัวเข้ามาหมดโดยลำดับรูปก็ถอน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รู้เท่าทันสติปัญญาไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแล้ว ย่อมจะทำลายกันที่ตรงนั้นเมื่อมหาสติมหาปัญญาได้ทำลายอาวิชชาที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายลงไป คำว่าอาวิชชาได้แก่ยอดของสมทุทัยสติปัญญาอย่างอื่นอย่างใดจะถอนไม่ได้ฆ่าไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของมหาสติ มหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นยอดของมรรคเมื่อสังขารอาวิชาแตกกระจายลงไปแล้ว เราจะถามหานิพพานที่ไหนไม่ต้องถามหานิพพานไม่ถามหาพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่รู้มาโดยลำดับตั้งแต่ต้น ของสมาธิของปัญญาที่กําลังเดินจนกระทั่งถึงวิมตุตติหลุดพ้นภายในจิตใจของผู้บมเพ็ญนั้นแล ผล น, นิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตใจของผู้บำเพ็ญแล้วก็เป็นปฏิเวทธรรมอย่างเต็มดวงขึ้นหรืออย่างเต็มที่ขึ้นมา เรียกว่ารู้แจ้งแทงทะลุกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตในใจเลย พระอริยเจ้าทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาท่านรู้ทันกิเลสเมื่อกิเลสผลมาธรรมะผลไปกิเลสหดร้าย รรมะโหดดีอยากทราบต้องออกแนวรบนักปฏิบัติคือนักรบเป็นต้องเป็น งตายจึงจะเอากิเลสอยู่กิเลสมีเท่าไหร่ธรรมะต้องมีเท่านั้นมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกาย กับจิตซึ่งมีอยู่นี้ดันลงไปตรงนี้สติปัฐานสี่เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดี การประพฤติ ธ, ธรรมทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้ยังไง เจตสกิก็ให้คิดจิตก็อะไรรู้รู้อยู่ทุกวันนี้รูปก็รูปอะไรรูปธรรมนามธรรมเท่านั้น อยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีละเรื่องอดีตอนาคตไม่วิตก วิจาร์ให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องขย่าวจิตใจให้ผิดไปจากความปกติอันสมบูรณ อยู่ดังเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนายโก ปฏิบัติย้อนเข้ามาจนถึงจิตแล้วภัยอะไรอะไรที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุง สำคัญมั่นหมายใดๆที่จิตไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดๆนั้นเป็นไปจากจิต ของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ ก็หลงสิ่งนั้นนั้นเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความก ล, ากล้าสามารถไปโดยลำดับแล้ว แม้แต่ขณะจิตที่แสดงออกปรุงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรอย่างนี้ รู้ทันทันทีทันทีไม่มีอะไรเป็นภัยนะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี้เป็นภัยต่อจิตใจ อยู่เท่านี้รูปเขาก็เป็นรูปมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่เรายังไม่เกิดเสียงก็มีมา ตั้งแต่เรายังไม่เกิดผลาดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกัน อยู่ตามสภาพของมันเราจะว่ามันมีไม่มีว่ามันดีไม่ดีมันก็ไม่มีความรู้สึกมีความหมาย ในตัวของมันนอกจากจิตเจ้าจอมโง่และจอมมายาสาไถหลอกลวงตัวเองให้ไปติดกับมัน โดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ ปัญญาเมื่อเวลาพิจรารณาแล้วตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวทีนี้จิตจะไปคิดให้เสียเวลเวลาอะไร ก็รูปแล้วนั่นจะคิดให้มันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิน่น รถก็รถมันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปคิดไม่มีฝันแล้ว เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตดับกิเลสอย่างสนิทแล้ว ริ่งเหล่านี้ไม่เห็นเข้าไปเกี่ยวข้องใจเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนักก็เพราะว่า มันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดมันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามา ิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอย่าลดละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างาน คือการเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนานี้คืองานเลิศงานประเสรศิฐงานรื้วัฏตะสงสาร ออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นาศาสดาเอกของโลก ก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เจรนาด้วยสติปัญญา<ม>เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆ<ม>จนรู้แจ้งเห<ม>็นจริง<ม>แล้วถอดถอนได้โดยลำดับ ลำดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงถือว่า เป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐให้เกิดขึ้นภายในตนแล้วหมดกังวล จะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับให้เสียเวลามันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจั ก, กรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่าง แต่ละอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี้เท่านั้นแหละกอภัยก็คือเรื่องก่อกวนตัวเอง ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชาปัจญจา สังขาราจะว่าไงจะไปหาที่ไหนหาอาวิชชามันฝังอยู่ภายในใจ เพราะฉะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถามเข้าไปมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนตามพิจารณามัน เกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วมันก็มารู้เรื่องความสำคัญมั่นหมาย ของตัวเองโดยลำดับลำดับหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วปล่อยเข้ามาเข้ามา เป็นวงแคบถ้าเราทานมันแล้วมันก็ดับถ้าปล่อยไปตามกิเลสแล้ว<ๆ>ก็จะหลงมัน จนตายไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ปล่อยให้ปัญญาพิจารณาตามนั้น ตามได้รู้ได้เมื่อรู้ได้ก็ตัดได้ขาดเข้ามาเป็นลำดับผลสุดท้ายก็มีแต่เรื่องออกไปจากขัน อวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาเมื่อเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วย่อมเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเอง และเป็นเครื่องลับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจอย่างอื่น แต่ถ้าสีเท่านั้นแหละค้นลงไปพิจารณาให้เข้าใจให้พากันปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่า เป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพนันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกัน คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเลยอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ไม่มีละเรื่องอดีตอนาคตไม่วิตกวิจารให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจ ให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดัางเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้น